หรือต่อไปนะถ้าสมาธิสีก็หมดจดด้วยอาการสามคือเว้จากบุคคลผู้มีจิตไม่เป็นสมาธิมายังชอบคําว่านะถ้าอยากสงบก็หลบคนฟุ้งซ่านอ่ะนพาะั้นคนที่มีจิตไม่เป็นสมาธิเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือต้องหลีกเลี่ยงอ่ะนะสองเสพครบเข้าไปนั่งใกล้บุคคลผู้มีจิตเป็นสมาธิแล้วก็พิจารณาเรื่องของฌานและวิมโมกษ์ นะพิจารณาเรื่องของอุปจาระสมาธิอัปนาสมาธินะว่าเออสมาธิอันนี้มีนิมอะไรเป็นนิมิตอย่างเงี้ยก็คือสนใจในสมถะกรรมฐานมากจริงๆนะสมาธิสีจะหมดจบแล้วก็ปัญญสีย่อมหมดจดด้วยอาการสามคือเมื่อเว้นบุคคลผู้สามปัญญาเออนะถ้าอยากฉลาดก็ต้องหลีกคนโงมกันนนี่ต่ไปก็เสพคบเข้าไปนั่งใกล้บุคคลผู้มีปัญญา หรือถ้าไปคบคนที่ไม่มีปัญญาเนี่ยคงจะเจอปัญหาแปลกๆตอบกันมั่วกันใหญ่เลยเ น, ะนาะเจริญพรใช่เสียเวลาเลยนะแล้วถ้าจะหาบุคคลอย่างนี้ที่ไหนครับประกอบด้วยศรัทธาประกอบไปด้วยวิริยะสติสมาธิปัญญาเนี่ยถ้าท่านเองแหละครับท่านแสวงหาอย่างไรละครับถ้าท่านรู้ว่าพร่องอย่างนี้ยท่านจะไปหาใครครับสมมติว่าท่านพร่องในวิริยะเนี่ยครับ <laughs> ในสมัยนี้นะคร<อ>ับสมัยในนะพุทธกาลนี่ไม่มีปัญหาใช่ไหมครับจะทำได้ถ้าของส่วนตัวนะจะทำได้อยู่สองอย่างหนึ่งเลเวนประเภทคนที่ว่าทั้งหมดเลยนะพวกเลวเนี่ยเว้นไปก่อนแล้วต่อไปก็พิจารณาพะสตรเหล่านั้นให้มากๆอะไรแต่ทีนี้ว่าของเราถ้าเราตั้งความหวังว่าเราจะไปเจอบัณฑิตที่นั่นไปเจอบัณฑิตที่นี่บัณฑิตมีย่อเนะย ผารัฐประหารปันดิตประธา น, า, أ, นธาน أ, มิมิตลักษณะเครื่องหมายของบันดิตมีกี่อย่างนะมีสามอย่างหนึ่งถ้าบันดิตจะไม่พูดไม่ทำชั่วไม่พูดชั่วไม่คิดชั่วนั่นแหละเป็นบันดิตนั่นแหละเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราโมาแต่ไปเที่ยวหาคนข้างนอกนะเราหาไม่เจอหรอก ก็เหมือนกับไปหาพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคอันแ่ะสุปฏิปันโนอุชุปฏิปันโนยายะจะทําบนสายบา ท, ทักเพียงไปหาที่ไหนนั่นแหละจะไปร่อนหาอย่างไรอ่ะเพชรพลอยยังมีสถานที่ไปร่อนยังพอเจอบ้างพระสงฆ์ตามสเปคที่เราคิดเนี่ยไปหาที่ไหนพราะ้นเราก็พยายามศึกษาให้เข้าใจถ้าเราปฏิบัติดีเท่าไหร่เราก็จะรู้จักพระสงฆ์เท่านั้นแหละ น, นและแล้วก็ข้อสามนะ เหตุที่ทำให้ปัญญาหมดจดก็คือพิจารณาญาณเจริาอันลึกซึง้งเอาคำว่าขันมาคิดเยอะๆนะซึ้งแม่อายตนะเอาธาตุเอาอริยสัตว์นะตรึกเรื่องราวเหล่านี้บ่อยๆเพราะฉะนั้นครั้นเมื่อบุคคลเว้นคนห้าจำพวกเหล่านี้เสพครบนั่งใกล้บุคคลห้าจำพวกพิจารณาพระสูตรห้าสูตรนะคือลักษณะแบบนี้นะ อินทรีห้าเหล่านี้ย่อมหมดจดด้วยอาการ15เหล่านี้อันธรรมะเหล่านี้เป็นเครื่องบ่ง ม, มิมุตนะอินทรีย์เหล่านี้บ่ง ม, มิมุติในโสูตรทีพร่พระองค์ทรงแสดงกับพระราหุลว่าอินทรีย์ของพระราหุล น, นี่แก่กล้าแล้วก็บ่ง ม, มิมุติเหล่านี้มาบ่งธรรมะเหล่านี้มานอนอันพระองค์ก็เลยไปแสดงธรรมให้พระราหุลฟังดูก่อนราหุลจากสูเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าค่ะอาพระราหุล น, นี่ท่านอินทรีย์อื่นๆนี่แก่กล้าแล้วฟังสูตรนี้เลยบรรลุเลย นี่จะเห็นว่าความสําคัญของกาละเข้ามาเกี่ยวข้อง น, นี่เป็นสมัยที่เป็นกาลวิบัตนะิเมื่อการละวิบัติเนี่ยนะครับผลนะครับวิบากที่เราจะได้รับดีเนี่ยนะมันจะปิดประตูบับบบมันจะปิดประตูไว้ไม่ให้เราได้รับนะคือไมให้เราได้ได้ได้เห็นได้ยินได้ฟังผู้ที่มีปัญญาหรือบัณฑิต mm hmm. ปิดไปก่อนเพราะกาละนั่นแหละเขาปิดปิดประตูนั้น mm hmm. ใช่ไหม กาลละสมบัติหรือกาลละวิบัติก็ในนี้ครับแต่ถ้าสมัยพุทธเจ้าน่ะมันกาลลสมบัตินะครับหรือว่าปิดคติวิบัติสมบัติไปย่อค้สมบัติตวิบัติตัวปฏิเหมือนการในลักษณะนี้มันปิดประตูเปิดประตูให้เราได้รับวิบากเนี่ยถ้าสมัยกาลลสมบัตินี่โอ้โหเนี่ยนะเปิดประตูให้เราได้รับฟังเยอะแยะเลยเนี่ยสมัยพุทธกาลนี่โม้เยอะแยะนะครับถ้าจะเอาศรัทธาจากใครล่ะครับที่ ที่บรรลุด้วยศรัทธาก็มีนะด้วยวิริยะก็มีด้วยปัญญาก็มีด้วยโอ้เยอะแยะม่หมดเลยอา้ารย์นะถ้าอยากมีศรัทธามากๆก็คบพระวกระเลาเนี่ยมีศรัทธาอยากมีความเพียรมากๆพระโสนะโกเรวิสานเนี่ยโหเดินจงกรมด้วยเขาจนเงี้ยว่าทางจงกรมของท่านนี่เหมือนเลือดอาบเลยนะโดยจะเอาแบบมีปัญญาแบบภาษารนบทเลยอย่างนี้ก็ได้หรือเหมือนพระโมกขราชพระโมคขราชเนี่ยบอกว่าจงพิจารณาเห็นโลกโดยความเป็นของศูนย์เนี่ยท่านเข้าใจเลยนะ อะไรศูนย์บัางจากขูศูนย์โสตะศูนย์ศูนย์จากอะไรอย่างเงี้ยเขาวาดไปเรื่อยนะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะธรรมะสิบห้าประการอีกอื่นอีกเป็นเครื่องบ่มวิมุตินะถ้าใครอยากวิมุตินะมาดูเครื่องบ่มอต่ถ้าใครเคยมีมะม่วงอะนะถ้าได้มะม่วงดิบมาลูกหนึ่งจะบ่มให้มันสุกเนี่ยทำยังไงเก็บไว้เฉยเเดียวก็สุกเองเหรอนะบางบางลูกนี่เป็นอย่างเงั้ยนะบางลูกเนี่ยถ้าเก็บไว้เฉยเเนี่ยเน่า เราต้องรู้จักบ่มใจเราก็เหมือนกันถ้าเราไม่บ่มนะวิมุตไม่เกิดธรรมะสิบห้าประการอื่นอีกนะาสิบห้ามื่อเกีตเจริญไม่ได้เอาอีกสิบห้ากันแล้วกันเอาอีกในหนึ่งคืออินทรีย์ห้ า, หามีสัตว์อินทรีย์เป็นต้นนะนะห้าห้าข้อแรกก็คืออินทรีย์ห้าสัทธาวิริยะสติสมาธิและก็ปัญญาพวกนี้อยู่ในโสภณธรรมเกือบหมดเลยนะ สัทธาเจตสิกนะไอ้วิริยะเจตสิกนี่มันอยู่ในประเภทปกิกณกะแล้นะที่เหลือก็อยู่ในประเภทของโสพณะหมดเลยและต่อไปอีกนะสัญญาอันเป็นส่วนแห่งการตรัสรู้อีก5าอย่างเออเนี่ยตรงนี้เนี่ยสัญญานี่บ่มไม่มุดนะอย่าไปดูถูกความจำน ะ, ะสัญญาเนี่ยความสำคัญหมายนี่พระองค์สอนให้เจริญในในในเกี่ยวกับเรื่องของสัญญาสูตรแต่ตรงนี้ท่านยกมาห้าอย่าง หนึ่งอนิจจสัญญาสัญญาแปลว่าสำคัญหมายสำคัญหมายว่าไม่เที่ยงนะสองทุกขสัญญาความสำคัญหมายว่าเป็นทุกสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกสามอนัตตสัญญาสัญญาโดยความเป็นอนัตตาสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกสิ่งใดเป็นทุกสิ่งนั้นแหละเป็นอนัตตาและก็ต่อไปปหาณสัญญา สำคัญหมายในการละแล้วก็ห้าวิราคะสัญญาสัญญาในการคลายกำหนัดราคานี้ความกำหนัดวิตัวนั้นก็ปฏิเสธเข้าปาก็เลยไม่กำหนัดเลยนะสำคัญหมายในความไม่ไม่กำหนักนะก็คือคิดแต่จะสลับอย่างเดียวอ่ะนะคิดด้วยใส่ใจในอารมณ์นั้นๆโดยความไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาคิดแต่จะละคิดแต่จะพ้น นะทุกๆอารมณ์เลยโดยที่สุดแม้แต่ความคิดอันนั้นด้วยอความคิดนี้ก็ไม่เที่ยงอนะคิดจะพ้นเนี่ยเออความคิดนี้ก็ไม่เที่ยงเป็นทุก เ, เป็นอนัตตาก็อยากจะพ้นความคิดนี้อีกด้วยความคิดใหม่ขึ้นมา อ, อ, อีกเอยความคิดนี้ก็ไม่เที่ยงเอาใหม่ oh ชั้นที่สุดขนาดนั้นนะนะในอารมณ์อื่นๆก็ในยะเดียวกันต่อไปนะอีกห้ากลอีกห้าข้อก็คือความเป็นผู้มีกัลยาณมิตรถ้าทิ้งไม่พ้นในนัมมิตรเนี่ย แล้วก็ต่อไปอีกความสัมรวมในศีลความเป็นผู้ขัดเกลาอย่างยิ่งความเป็นผู้ปรารบความเพียรและก็สุดท้ายปัญญาอันเป็นไปในส่วนแห่งการตรัสรู้ในธรรมะทั้งหมดนี้พระองค์เลือกเอาห้าข้อสุดท้ายมาบ่มมิมุติคระพระเมขยะเพราะว่าพระศาสดานั้นเป็นผู้ฉลาดในการฝึกเวนนยบุคคล พอย่าลืมนะพระพุทธเจ้าเป็นผู้ฝึกนะพระองนี้ชานาญในฉลาดในการฝึกเวนยะบุคคลเมื่อจะทรงแสดงธรรมะอันเป็นเครื่องบ่มวิมุตตมีกาลยานามิตรเป็นต้นในที่นี้ตามอัทยาศัยของพระเมคิยะผู้ควรแนะนำอันพระเมขิยะนั้นเป็นเป็นเนยยะใช่ไหมเป็นบุคคลผู้ควรแนะนำเป็นบุคคลที่ฝึกได้แต่ก็ต้องฝึกด้วยธรรมะคือหนึ่งกลยานามิตร 2. ความเป็นผู้สำรวมในศีลสามความเป็นผู้ขัดเกลาอย่างยิ่งแล้วก็สี่ความปารกความเพียนแล้วก็สุดท้ายปัญญาอันเป็นไปในส่วนแห่งการตรัสรู้ซึ่งจะได้ฟังพิสดารว่าเราจะเห็นว่าเหมือนเหมือนปรุงยาให้พระเมคียะทานนะครับเจนทนโอยานี่ต้องขนานนี้นะในี่ประกอบไปด้วยนี้เพราะเจนเมคียะเนี่ยเป็นโรคอย่างนี้ ต้องปรุงอย่างนี้จริงๆ<อ>สมกับโรคก็ออมีตั้งสามสิบอย่างใช่ไหมสิบห้าสองครั้งก็เป็นสามสิบใช่ในสามสิบเนี่ยพระองค์ไม่เอามาหมดเลยสามสิบนะไม่เอาชุดใหญ่มาเลยอาคัดเอามาแค่ห้าพอละสำหรับพระเมเคียะสำหรับเราัเท่าไหร่เป็นร้อยนะถ้าสำหรับเราก็ขอบคุณเนะวันนี้จิตเป็นกุศลไ้มเอาละ ต่อไปนะอีกประการหนึ่งนะข้อแรกก็คือมิตรดีสหายดีเพื่อนดีใช่ไหมนี้เ็เครื่องบ่ง ม, มิมุตข้อหนึ่งข้อสองก็คือทิสุเป็นผู้มีศีลสำรวมระวังในพระปาติโมถึงพร้อมด้วยอาจาระและโคจรมีปกติเห็นภายในโทษมีประมาณเล็กน้อยสมาธานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายนี้เป็นธรรมะประการที่สองย่อมเป็นไปเพื่อความแก่กล้าแห่งเจโตวิมุตที่ยังไม่แก่กล้า ก็คือจะตุปปาริสุทธิสีนั่นเองข้อสามอีกประการหนึ่งพิสุเป็นผู้ได้ตามความปรารถนาได้โดยไม่ยากไม่ลำบากซึ่งกระทาเครื่องขัดเกลากิเลตนะกระถาวถัตถเป็นไป เ, เพื่อเป็นที่สบายในการเปิดจิตนะเป็นกระถาที่เป็นไปเพื่อเปิดจิต คำนี้น่าฟังนะนะเปิดจิตเองเปิดยังไงเปิดจากกิเลสอะเพื่อเบื่อหน่ายโดยส่วนเดียวเพื่อคลายกำหนัดเพื่อความดับเพื่อความเข้าไปสงบเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้เพื่อนิพพานคืออภิจากขถาหนึ่งกะคาถาเกี่ยวกับเรื่องมักน้อยมีโอกาสจะได้กล่าวให้ฟังเอ๊มมรคน้อยเป็นยังไงสองสันติทิกขาประรบเรื่อง การสันโดษสปวิเวกคาถาก็คือวิเวกสงัดสาอสังสักค่าคถ า, าการไม่คลุกคลีต่อไปะนะ5วิรยิยามภาคคถาคำพูดที่เป็นไปเพื่อปารกความเพียงแล้วก็หกีลกัคาเจสมาธิคาถา 8. ปดปัญญาคาถา 9. วิมุตติกาถาแล้วก็ิบวิมุตติยานาัทสนกคาถานี้เป็นธรรมะประการที่สย่อมเป็นไปเพื่อความแก่กล้า แห่งเจโตวิมุตต์ที่ยังไม่แตกล่าอีกประการหนึ่งที่สุเป็นผู้ปราศจาความเพียนข้อสนะข้อสี่ใหญ่เพื่อละอกุศลธรรมเพื่อความเกิดขึ้นแห่งกุศลธรรมเป็นผู้มีกําลังมีความบากบั่นมั่นคงนะชอบนะคำว่าบากบั่นมั่นคงว่าไงเรียกว่าเป็นกิจที่ไม่ใช่ทําด้วยความท้อแท้ท้อถอย แต่ทำด้วยจิตใจที่บากบันและมั่นคงบากบันทำอะไรละอกุศลเจริญกุศลไม่ทอดทุระในกุศลธรรมนี้เป็นธรรมะประการที่สี่ย่อมเป็นไปเพื่อความแก่กล้าแห่งเจโตวิมุตที่ยังไม่แก่กล้าอีกประการหนึ่งภิกษุเป็นผู้มีปัญญาข้อปัญญานี่สำคัญ ที่สูเป็นผู้มีปัญญาประกอบด้วยปัญญาเครื่องพิจารณาความเกิดและความดับอ้เอาเกิดดับนะอันเป็นอริยะชำแรกกิเลสให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบนี้เป็นธรรมะประการที่ห้าย่อมเป็นไปเพื่อความแก่กล้าแห่งเจโตวิมุตติที่ยังไม่แก่กล้าดูก่อนเมขียะธรรมะห้าประการนี้ย่อมเป็นไปเพื่อความแก่กล้าแห่งเจโตวิมุตติที่ยังไม่แก่กล้า ดูก่อนเมคิยะภิกษุผู้มีมิตร ด, ดีมีสหายดีมีเพื่อนดีพึงหวังคุณข้อนี้ได้คือถ้าหากว่ามีเพื่อนดีนะหวังได้เลยว่าที่สุดตนนี้จะเป็นผู้มีศีลสำรวมระวังในพระปาติโมกถึงพร้อมด้วยอาจาระและโคจรมีปกติเห็นภัยในโทษมีประมาณเล็กน้อยสมาทานศึกษาอยู่ในศิขาบททั้งหลายนี้ธรรมะประการที่ นะถ้ามีมิตร ด, ดีจะทําให้มีศีลด้วยอ่าเพศผู้มีมิตร ด, ดีมีสหายดีมีเพื่อนดีพึงหวังคุณข้อนี้ได้ตนเองจกได้ตามความปรารถนาได้โดยไม่ยากได้โดยไม่ลําบากซึ่งกระถาเครื่องขัดเกลากิเลสเป็นไปเพื่อความสบายแห่งการเปิดจิตเพื่อเบื่อหน่ายโดยส่วนเดียวเพื่อคลายกําหนัดเพื่อความดับเพื่อความเข้าไปสงบเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้เพื่อนิพพานนะ ถ้ า, าว่ามีเพื่อนดีปั๊บกระทำวัตถุสิบไม่ต้องอยาก น, นะถ้าเรามากมากแต่ท่านก็แนะนําเออมากมากไม่ดีนะท่านจะแนะนําเราถ้าเราไม่สันโดษท่านก็จะสอนถ้าเราไม่วิเวกท่านก็จะแนะนําถ้าเราคลุกคลี ม, มากไปท่านก็จะเตือนถ้าเราขี้เกียจปั๊บท่านจะกระตุ้นอย่างเงี้ยสบายเลยถ้ามีเพื่อนดีซะอยามม่างในกระทำวัตถุสิบไม่ยากต่อไปอีกนะว่า ภิกษุผู้มีมิตรดีมีสหายดีมีเพื่อนดีพึงหวังคุณข้อนี้ได้คือตนเองจะเป็นผู้ปรารจกความเพียรเพื่อละอกุศลธรรมเพื่อความเกิดขึ้นแห่งกุศลธรรมเป็นผู้มีกำลังมีความบากบันมั่นคงไม่ทอดทุระในกุศลธรรมนะมีเพื่อนดีทุอย่างเนี่ยโหเจริญกุศลเยอะเลยแล้วก็ภิกษุผู้มีมิตรดีมีสหายดีมีเพื่อนดีพึงหวังคุณข้อนี้ได้คือตนจกเป็นผู้มีปัญญา เพื่อนดีเพื่อนก็จะแนะนำให้มีปัญญาประกอบด้วยปัญญาเครื่องพิจารณาความเกิดและความดับอันเป็นอริยะชํ้แรกกิเลสให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบดูก่อนเมคยะก็แลพิสูพุตั้งอยู่ในธรรมะห้าประการนี้แล้วพึงเจริญธรรมะ4ประการให้ยิ่งขึ้นไปอีกนะยังเจริญธรรมะอีกส่ข้อนะคือเจริญอสุภะเพื่อละราคะพึงเจริญเมตตาเพื่อละพยาบาท พึงเจริญอาณาปานสติเพื่อตัดวิตกพึงเจริญอนิจจสัญญาเพื่อเพิกถอนอนัศมิมานะดูก่อนเมขียะอนัตตสัญญาย่อมปรากฏแก่พิสุผู้ได้อนิจจสัญญาแตนะคนที่ได้ในใส่ใจในความไม่เที่ยงมากๆอนัตตสัญญาก็จะได้ผู้ที่ได้อนาตตสัญญาย่อมบรรลุนิพพานอันเป็นที่เพิกถอนเสียได้ซึ่ง อัสมิมานะในปัจจุบันเทียวลำดับนั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบเนื้อความนี้แล้วจึงทรงเปล่งอุทานในเวลานั้นว่าวิตกอันเลวซามวิตกอันละเอียดเป็นไปแล้วทำใจให้ฟุ้งซ่านบุคคลผู้มีจิตหมุนไปแล้วไม่ทราบวิตกแห่งใจเหล่านี้ย่อมเล่นไปสู่พบน้อยพบใหญ่นะวิตกเนี่ยวิตกถ้าเป็นการมาวิตกปั๊บมี โล้าเกิดร่วมด้วยโลพานั้นเป็นเป็นอะไรนะเป็นตัวพาเกิดพบใหม่อ่ะโลภาเกิดเมื่อไหร่เกิดใหม่อีลเนี่ยอาหารอะไร เ, ออเกิดอีกแล้วส่วนบุคคลผู้มีกรยะยาผู้มีความเพียรมีสติทราบวิตกแห่งใจเหล่านี้แล้วย่อมปิดกั้นเสียพระอริยาสาวกผู้ตรัสรู้แล้วย่อมละได้เด็ดขาดไม่มีส่วนเหลือซึ่งวิตกเหล่านี้ที่เป็นไปแล้วทาใจให้ฟุ้งซ่าน นะพระอริยเจ้านี่ท่านละวิตกได้โดยเด็ดขาดแต่เป็นอกุศลวิตกใช่ไหมพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกนี้พระโสดาบันละได้แลพยาบาทวิตกพระนาคามีละได้ถ้านาคามีไม่มีโทสะกามวิตกพระอรหันละได้นั่นแหละอันวิตกนั้นก็ถ้าเป็นพระอริยเจ้าก็สามารถที่จะหลุดพ้นจากวิตกได้ส่วนข้อความในอัตถกถานั้นถ้ามีโอกาส ครั้งต่อๆไปจึงได้กล่าวก็ยังสงสัยเมื่อกี้นี้ครับจะละอบอกว่าผู้ที่จะละอัสมิมานะเจริญก็ผู้นั้นต้องเจรอนัตตาไอาอนัตตาสัญญาเท่านั้นเองเพราะว่าอาอีกข้อชั้นต้นเลยนะบอกว่าพึงเจริญอนิจจสัญญาเพื่อเพิกถอนอัสมิมานะเจริญถ อ, อนก็คืออัสมิมานะเนี่ยนะจะเปรียบเทียบในเรื่องของ ของอะไรบ้างเช่นหนึ่งชาติตระกูลวัณณนะผิวพันธุนะ์แะพวกทรัพย์ต่างๆแต่ถ้าปารบถึงความไม่เที่ยงของสิ่งเหล่านี้เนะี่ยแล้วมันจะเปรียบเทียบกันไหมสมมติถ้าหากว่าเปรียบเทียบในเรื่องของของผิวพันธุ์อย่างนี้ใำไมปารบถึงผิวพันธุ์มันก็ไม่เที่ยงใส่ใจถึงความไม่เที่ยงบ่อยๆมากมันจะมีการแข่งไหมมันก็ไม่มีการแข่งดีอะไรนะ ที่ท่านท่านกล่าวเมกีสูตรเนี่ยค่ะว่ า, าที่พระพุทธองค์ตรัสธรห้าประการใช่เพื่อเจโตวิมุตห้าเจรผ่านใช่ไหมคะแล้วก็ตอน<บ>หลังตอนหลังก็คือถ้ามีเจโตวิมุตห้าแต่ทีนี้ว่าในในห้าอย่างนั้นถ้ามีเพื่อนดีปั๊บข่อเดี๋ยวก็จะได้ด้วยเสร็จแล้วก็ให้เจรตั้งอยู่ในธรรมะห้าอย่าง เมื่อเมื่อตั้งอยู่ในธรรมะห้าอย่างก็เจริญธรรมะอีกสี่อย่างให้มันยิ่งขึ้นไปอะไร <Okay. S 1> คือเจริญอสุภะเจริญเมตตาเจริญอาณาปานาสติและก็เจริญอนิจจสัญญา oh. นะเพราะว่าถ้าหากว่าอนิจจสัญญาเกิดอนัตตาสัญญาก็จะเกิดตามด้วยถ้าอนัตตาสัญญาเกิดแล้วก็จะได้บรรลุนิพพานนะอันเป็นที่เพิกถอนเสียได้ซึ่ง อสมิมา น, นะถ้าเห็นอนิจจามากๆแล้วก็จะเห็นอนัตตาง่ายนะเพราะว่าพระผู้มีพระภาคนั้นเวลาพระองค์ทรงแสดงเรื่องของอนัตตาจะกล่าวถึงอนิจจาซะก่อนนะบางแห่งบอกสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกสิ่งใดเป็นทุกสิ่งนั้นเป็นอนัตตาอย่างเช่นเพราะจากสูนี้เกิดเสื่อมจากสูนจึงเป็นอนัตตาอย่างนี้แสดงอนิจจาก่อนแล้วเพื่อประกาศความเป็นอนัตตา บางแห่งนี้ก็ประกาศความเป็นทุกข์ก่อนจึงค่อยประกาศความเป็นอนัตตาเช่นเพราะารูปเป็นไปเพื่ออาพาธอาพาธก็เป็นทุกขลักษณะนั่นเองนั่นแหละหรือเหมือนว่นจาจักรสูปเป็นของร้อนอันนี้เป็นทุกขลักษณะในอนัตตลักษณะสูตรนั้นวงแสดงทุกขลักษณะเพื่อให้เห็นอนัตตลักษณะนั่นแหละบางแห่งก็ทั้งอนิจจังทั้งทุกขังเพื่อให้รู้จักอนัตตานั่นแหละ แต่ว่าอยู่ๆโดดๆโดยที่ไม่เอาธรรมะหมวดอื่นๆมาที่บาอาณาตาเนี่ยหายากมากเว้นไว้แต่ว่าสัพเพธรรมาอาณาตาติอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งจะแสดงไม่หลายแห่งมากนะพระสูตรตรงๆแบบนี้แสดงน้อยแห่งมากเมื่อเทียบกับพระสูตรที่บอกอ น, นิจจังซะก่อนอะไรเนี่ยซึ่งแสดงมากมาย